นราสะโพเนเกษโซเบเวโซติงสะปารมีนามิศิรสานิจังปุเรตวะอาคโตวะรังโมคังนาโทพิชันโตดาวยังหิตาวาสระทักกัง โมทังวเนสุดุการังนา ม, ามิสิระาทารังทานังสีรังปริจาขังอาชวังมัทวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญญาขันตินจาอวิโรธนัง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเื่อเื้อพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงสเสด็จมาดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพพ้พระนราสภาผู้เสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าบเป็นนิดพระนาถเจ้าทรงปรารถนาโมกเสธรรมสระพระราชโอรสและพระมเ ah ห e ทั้งสีสองพร้อมทั้งแว่นแคว้นแล้วทรงรื่นลนลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถเจ้าพระองค์นั้นผู้ทําสิ่งที่ทําได้ยากอย่างยิ่งด้วยเสียงก้าบ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันในการที่จะมาลํำลึกนึกถึงพระคุณหรือคุณ ค, ณความดีของพระบติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่ท่านได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว ฉะนั้นเมื่อมาเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่มาย้อนหลลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสักครู่ที่อาตมาได้พูดมาก็คือว่าที่ใช้คำว่าทานังสีลังปริจาคงอาชวังมัทวังตะปังอากธทงังอวิหิงสัญจาคันตนิจามวิโรธังเปนต้น นั้นพูดถึงในเรื่องของคำว่าธรรมราชาหรือธรรมะของพระราชาเนี่ยหรือเรียกว่าทศพิธราชธรรมใช่ธรรมที่จะทำให้เป็นหรือคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองหรือคุณธรรมของพระราชาเป็นต้นเนี่ยที่ในช่วงสถานการณ์หรือว่าโดยเฉพาะในวันนี้เราท่านตั้งหลายได้ได้ไดตั้งใจกันมา เมื่อสักครู่อาจาะมาได้พูดถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคคลที่สอนหรือแนะนำเนี่ยให้บุคคลที่เป็นพระราชาที่ดีได้เนี่ยหรือเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ได้หรือเป็นระดับมหาราชาได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็คือบุคคลที่สอนนั้นก็คือพระพุทธเจ้า ฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณความดีของในหลวงราชการที่9เราก็จะต้องเจาะทะลุทะลวงไปเห็นคุ ณ, ณธรรมหรือคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเราสวดกันนะที่บอกว่าสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัสรู้อริยรรสัจสี่ได้ด้วยตนเองและสามารถสอนให้บุคคลอื่นตัสรู้อริยสัจสีตามได้ด้วยนี่คือข้อหนึ่ง และอีกข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพระเจ้ามีพระนามว่าพักขาวาเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมรัตนะก็หมายความว่าอะไรพระเจ้าเนี่ยแจกแจงธรรมะว่าบุคคลที่จะเป็นพระราชาควรมีธรรมะอะไรควนจะปฏิบัติธรรมะอะไรจึงจะจัดว่าเป็นพระราชาที่ดีและประเสริฐเป็นต้นได้หรือถ้าเราเป็นคารวาสนีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูก เป็นต้นเป็นเพื่อนเป็นครูอาจารย์เป็นต้นพระเจ้าก็จะสอนธรรมะที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นที่จะไปนําไปประพฤติปฏิบัติทีนี้บุคคลที่ประพฤติธรรมเนี่ยก็จะมีความสุขใช่ไหมยอมเคยเห็นว่าคนประพฤติธรรมก็จะนําสุขมาให้หรือจะเข้าถึงความสุขได้บุคคลที่มีราชธรรมหรือธรรมะของพระราชาหรือบุคคลที่มีคารวัตธรรมธรรมที่มีสําหรับคารวัตเนี่ย คนเหล่านั้นก็จะมีความสุขเช่นยอมลองนึกอย่างนี้นะถ้าเป็นยอมมีศรัทธามีความเชื่อถ้าถามว่ายอมยอมมีความเชื่อยอมมีศรัทธาในองค์ในหลวงองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมศรัทธาเชื่อมั่นไหมเชื่อมัน่นถึ่แม้การที่เชื่อมั่นเนี่ยแปลว่ายอมมีหลักไหมคนที่ไม่อยู่โดยไม่มีศรัทธาจะเป็นคนที่มีความทุกข์มากยอมลองนึกดูสิ ถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยเราไม่มีความเชื่ออะไรเลยอะถามเราจะมีที่พึ่งได้อย่างไรฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นความที่พึ่งอย่างหนึ่งแต่ศรัทธาของเรานั้นจะไปฝากไว้กับอะไรเท่านั้นเองถ้าในฐานะที่เป็นพุตบรลิษัทเราก็จะมีศรัทธาอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธายมเคยได้ยินไหมคาว่าตถาคตโพธิศรัทธาก็แปลว่าเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต อย่างยกตัวอย่างที่เรากราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาใช่ไหมพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิแปลว่าอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระลหันไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ทุกองเองข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็กราบลงไปใช่ไหถามว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระลหันเชื่อ เชื่อไหมพุทธเจ้าเนี่ยดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกโดยสิ้นเชิงแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อราคะาความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเนี่ยพุทธเจ้ากําจัดได้หมดแล้วทีนี้พอเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็บอกกับข้าพเจ้าอภิวาทพรสผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็กราบลงไปแปลว่าอะไรรู้ไหมก็แปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพุท ธ, ธ ให้เป็นผู้รู้อริยสัจสีให้เป็นผู้ตื่นจากกิเลสให้เป็นผู้เบิกบานก็เป็นอิสระเสรีภาพอย่างพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วเราก็กราบลงไปใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นไหมถ้าไม่คิดแปลว่ายังกราบไม่ถึงอันก็ต้องคิดใหม่ใช่ไหมต่อไปก็ต้องกราบพระใหม่แต่เนี้ยบอกว่าพระุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาสคือแปลว่าข้าพเจ้าจะทําตามนั่นเองจะฝึกตนเองตอนนี้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาไหมยังเป็นธรรมดาเดี๋เป็นพุทธะหรือยังรู้อริยสัจสีหรือยังตื่นจากความโลภโกรธหลงหรือยังเบิกบานคือเป็นอิสระเสรีภาพโดยไม่มีกิเลสมาเกลืีกลั้วในกระแสะชีวิตหรือยังอย่างแต่เราสมาทานต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเอง ให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นให้เป็นผู้เบิกบานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ก็กราบลงไปโอ้ยนี่แปลว่าไปปฏิญญาณไปสร้างความมั่นคงมั่นใจให้เกิดขึ้นนี่กราบพระพุทธเจ้าได้แล้วอพอถึงพระธรรมทำยังไงต่อสวากขาโตภควตาธรรมโมธรมมังนัมัสามิใช่ไหมพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้านามัสการพระธรรม พระธรรมคืออะไรอ่ะเราบอกพระธรรมคือคำสั่งสอนพระธรรมคือศีลพระธรรมคือสมาธิพระธรรมคือปัญญาศีลเป็นความงามในเบื้องต้นของพระธรรมสมาธิเป็นความงามในธรรมกลางของพระธรรมปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดของพระธรรมใช่ไหมข้าพเจ้าที่บอกว่านมัสการพระธรรมแปลว่า พระธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลางเลยที่สุดเนี่ยข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เป็นผู้มีความงามในเบื้องต้นระดับศีลงามในเบื้องเบื้องทากลางระดับสมาธิงามอันสูงสุดระดับปัญญาตามพระธรรมนี้ให้ได้ก็กราบลงไปแล้วตอนนี้งามหรือยังยอที่มานั่งอยู่เนี่ยมีศีลกำกับพฤติกรรมทางกายวาจาอาชีพให้งดงามหรือยังงามกันหมดไหมงามไม่งามพฤติกรรมงามไหม งามสมมติว่างามก็แล้วกันอ้าวด้านจิตใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจหงุดหงิดทั้งหลายหมดหรือยังมีสมาธิตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวเป็นไหมเอองามเลยลาวทิกท้ำกลางแล้วความรอบรู้ความเข้าใจความฉลาดพิจารณาเหตุผลแยกแยะองค์ประกอบทั้งหลายเหลา่านี้ได้อย่างชัดเจนความงามในระดับปัญญางามหรือยัง ถ้ายังไม่งามก็สมาทานไว้ก่อนว่าข้าพเจ้าจะเข้าเข้าถึงความงามในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของพระธรรมนั้นได้ก็กราบลงไปนี่ได้ได้ถึงพระธรรมแล้วนะอ่าพระสงค์ต่อสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมานี้ใช่ไหมสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระโสดาบันสกัดทานอาครับพระสานปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์แปลว่าอะไร แปลว่านอบน้อมแปลว่าข้าพเจ้าจะฝึกหรือปฏิบัติตามบอกว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองออกจากปุทตชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเพื่อเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์เข้าไปประชุมในหมู่สงฆ์สาวกเป็นสังฆะในหมู่สงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม้ได้ก็กราบลงไปยอมคิดอย่างนี้ไหม ตอนนี้ยมเป็นบุตรชนอยู่มหมยังเป็นบุตุชนอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นอริยะยังไม่ได้ประเสริฐยังไม่ไเลิ่ใช่ไหมพอมากราบพระสงฆ์ยอมก็มาสมาทานว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองจากบุตุชนที่คนมืดบอดเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ได้ตามหมู่อริยสงฆ์นั้นให้ได้ก็กราบลงไปถ้ากราบอย่างนี้ถึงพระรัตนไตรัยบ้างหรื อ, อยัง เริ่มถึงแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ที่จะเชียวเห็นตรง น, นี้ก่อนเนี่ยเห็นว่าเมื่อโยมได้ศรัทธาได้ปัญญา ห, หนึ่งได้ศรัทธาความเชื่อมั่นสองได้ความเพียรคือความกล้าอาญาา 3. ได้สติกำกับอยู่กับตัวไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลงสี่ได้สมาธิคือความตั้งมั่นไม่วันไหวห้าได้ปัญญาคือความรอบรู้ความเข้าใจ พอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาประชุมในกระแสชีวิตปุ๊บในขณะนั้นกิเลสรั่วลดไหมไม่รั่วลดกิเลสที่เหมือนฝนก็ไม่รั่วลดจิตใจใช่ไหมไม่รั่วลดแล้วตอนนั้นความเชื่อมั่นเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นเหมือนโยมเดินไปกลางแดดกลางฝนแล้วยมกลางล่มเปียกไหมไม่เปียกร้อนไหมไม่ร้อนคนอื่นที่ไม่กลาง เปียกด้วยนันเราก็เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังกระเสือกกระสนร้อนรนกระวนกระวายเคยเห็นในหลวงท่านนั่งไหมไปไปที่ไหนรัชกาลที่9ก้าเวลาท่านนั่งเวลานั่นท่านนั่งแจกใบปริญญาบัตรก็ดีหรือท่านนั่งทรงงานทั้งหลายท่านหยุกหยิกมอ ก, กไท่านนั่งนิ่งเลยไหมนั่นบ่งบอกถึงท่านมีความเชื่อมั่นไหมท่านมีความก ล, กล้าไหมท่านมีสติไหมมีสมาธิไหมมีความตั้งมีปัญญาไหม นั่นแปลว่าท่านนั่งกลางร่วมคือธรรมะธรรมะกำลังรักษาท่านอยู่เห็นไหมพระธรรมกำลังรักษากระแสชีวิตของในหลวงและเการที่9ก้าตอนสมัยที่ท่านทรงงานท่านก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นแล้วพวกเรานั่งฟังธรรมแล้วการร่วมหรือยังมีศรัทธาไหมมีความเพียรไหมกล้ากล้าไหม อาจหารก้าวไปใจสู้ไม่กลัวนั่งนานขนาดไหนก็ไม่ท้อมีสติไหมกํากับอยู่กับตัวไหมหรือฟันเฟือนเลือนหลงตลอดเวลามีสมาธิตั้งมั่นไหมจิตตั้งมั่นไหมตอนเนี้ยความฟุ้งซ่านไหลเข้าไหมความง่วงไหลเข้าไหมไม่เข้าเลยใช่ไหมมีปัญญาไม่รู้ตามที่พระกำลังบอกอยู่ไหมสแสดงว่ายอมก็กำลังอะไรกลางร่มคือธรรมะอยู่ ตอนนี้โยมก็ไม่กระเสือกกระสนไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนฝนคือกิเลสก็ไม่ไหล ไ, ไม่รั่วลดฝนคือความทุกข์ความทรมานคือความกโกรธก็ไม่แผดเผาโยมก็เป็นคนสงบแล้วก็เยือกเย็นอยากจะเยือกเย็นอย่างในหลวงไหมในหลวงในหลวงท่านเยือกเย็นมากใช่ไหมที่เราศรัทธาท่านนศะรัทธาอะไรศรัทธาธรรมะที่ท่านปฏิบัติแล้วธรรมะที่ท่านปฏิบัตินั้นท่านเอามาจากใคร เอาอจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมะให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านยังมีความงดงามไงพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้ยดูงามมากเป็นไปกระศีนเห็นไหมพระรูปไหนเนี่ยนั่งแล้วดูนิ่งเหมือนในหลวงพระรูปนั้นน่าศรัทธามหมดเลยจริงไหมย้อมคนไหนแล้วนิ่งสงบสงเงียบอย่างนั้นก็น่าศรัทธามหมด นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางทีเราก็แยกไม่ออกนะที่เราศรัทธาในหลวงเนี่ยศรัทธาอะไรที่ไหนได้เราศรัทธาอะไรธรรมะศรัทธาธรรมะของท่านที่อยู่ในองค์ท่านเน่ยที่อยู่ในกระแสชีวิตของพระ อ, องค์ท่านในพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยเวลาท่านตรัสวาจาออกมานี่เป็นไงเป็นสัมมาวาจาหรือเป็นมิจฉาวาจา เป็นสัมมาวาจาใช่ไหมท่านพูดคําจริงหรือคําเท็จท่านพูดคําจริงใช่ไหมฮะท่านพูดจริงด้วยท่านพูดคําที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์โอ้โหมีประโยชน์เข้าอีกท่านพูดถูกกาหรือผิดกาถูกกานี่ท่านพูดได้เมตตาหรือพูดได้โทสะโอ้โหมั้ยนี่ไงเราศรัทธาตรงนี้ศรัทธาคําจริงที่ท่านพูดออกมาศรัทธาคําพูดที่เป็นประโยชน์ศรัทธาคําพูดที่ถูกกาเวลาศรัทธาคําพูดที่ท่านพูดได้เมตตา หรือพูดด้วยกรุณาเวลาท่านไปเยี่ยมเยียนคนป่วยเนี่ยท่านก็มีกรุณาในการพูดออกมาให้กําลังใจในยามที่ประชาชนเกิดความทุกความเดือดร้อนขึ้นมาฝนตกบ้างน้ําท่วมบ้างเกิดภัยพิบัติบ้างแผนดินไหวบ้างเกิดพายุพัดทั้งหลายลนั่นก็นําเกิดภาวะเศรษฐกิจยากจนทั้งหลายท่านออกมาตรัสแล้วแม้เพราท่านตรัสออกมาหนึ่งคำจริงที่ท่านตรัสออกมา สองคำพูดที่เป็นประโยชน์สามพูดถูกการสี่พูดด้วยกรุณาเพราะพูดออกมาโอ้โหยิ่งเหมือนกับ น, น้ําฝนหลังรดกระแสจิตใจของบนอนาประชาราชนี่ที่ท่านพูดออกมานั้นท่านพูดเป็นไปตามธรรมะและธรรมะที่ท่านได้มาก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหเล่งเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยโอ้เป็นอย่างนี้เองธรรมะนี่ทําให้โด่งงามขนาดนี้ ขนาดในหลวงยังงดงามขนาดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะงามขนาดไหนเนาแลยวยอมก็คิดถึงขนาดนี้หรือยังนั้นต้องคิดทะลุทะลวงได้ขนาดนั้นนั้นยอมจะเห็นโอ้โหน่าชื่นใจมากใช่ไหมล่ะเห็นไหมพฤติกรรมทางกายก็ล้พฤติกรรมก็ดูงดงามมากพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีงามอุย้ยดูที่ไหนก็งามการเดินก็งามการมองก็งามการท่านสายตาทั้งหลายงดงามหมดเลยใช่ไหมดูงดงามหมด ยิมย้มแย้มแจ่มใสทักทายมิยมคนหนึ่งเล่าไอเตมาฟังนะบอกโอ้หตอนนั้นจะไปยอยากเฝ้าเข้าเฝ้าในหลวงแล้วเกิดทำยังไงดีเขาบอกอีกสามชั่วโมงในหลวงจะเสด็จวัดพระศรีรัตนา ศ, า ศ, าศาสดารามวัดพระแก้วนี่เธอเป็นประชาชนธรรมดานี่ททำไงเธกวิ่งไปนั่งรถตุ๊กๆไปไปที่ปากของตลาดเข้าไปไปซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ ซ, ออไมซื้อตนเอง เ อ, อก็นึกถึงว่าในหลวงมาพระราชนีก็ต้องเสด็จด้วยใช่ไหมก็เลยซื้อไปสองพวงซื้ออย่างดีก็ไปก็ไปนั่งคอยเนี่ยว่าพระองค์จะต้องเสด็จผ่านตรงนี้แน่นอนแล้วพอเสด็จมาจริงเธอก็ไม่กล้ามองอ่ะไม่กล้าบชนะก็เอาดอกไม้ทูชูดอกไม้ไว้บรศี ร, รษะชูไว้แบบเนี้ยแล้วก็ก้มก็ เห็นเดินเดินเห็นเงาท่านมายืนตรงนั้นพอดีเลยยืนพอดีเธอก็เลยหยิบดอกไม้โอ้ยตื่นเต้นมากในชีวิตไม่เคยแล้วก็ถวายถวายไปหนึ่งพวงพอถวายเสร็จปุ๊บท่านเธอเตรียมไว้สองเนี่ยท่านก็ยังไม่เสด็จไปอีกเธอก็นึกว่าอี๋ทําไมท่านไม่เสด็จไป ไม่เสด็จ ก, ก็นึกออกอ๋อนั่เหลือดอกไม้อีกพวงหนึง่งที่ต้องการจะถวายพระราชนีวันนั้นพระราชนีไม่ได้เสด็จด้วยเธอก็เลยถวายอีกพวงเธอโอ้ร้องไห้เลยนี่เห็นไหมเห็นพระปัญญาของพระองค์ไหมคิดว่าอ๋อเนี่ยท่านรู้ทันทีว่าเนี่ยประชาชนที่มาเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยต้องการจะถวายพระราชนีด้วยแต่ท่านเสด็จมาองเดียวเนี่ย เออถวายมาแล้วเราก็จะรับให้ด้วยเนี่ยท่านมีปัญญาใช่ไหมแต่คนถวายยังคิดไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ความละเมียดละไมคนคนที่มีสติปัญญามีสติสัพชัญญาในการรู้สึกตัวแล้วก็มีปัญญารอบรู้แปลว่าอะไรแปลว่าปัญญาคือธรรมะ ปัญญาคือสติปัญญาคือสมาธิปัญญาคือความเพียรไม่ใช่ธรรมะคือความเพียรธรรมะคือสติธรรมะคือสมาธิธรรมะคือความเชื่อมั่นทั้งหลายอยู่ในกระแสชีวิตของพระองค์ท่านตลอดเวลาแต่ว่าท่านไปที่ไหนท่านไม่เดือดร้อนไม่กังวลกังวลไม่เศร้าโศกเพราะอะไรเพราะมีธรรมะประดุดํงร่มเนี่ยป้องกันแดดและฝนคือความทุกข์ความกังวลทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่ให้ไหลล่วรลดท่านก็มีความสุขเอาละสิตัวเนี้ย พวกเราในขณะที่ศรัท ธ, ธาพระองค์ท่านก็จะต้องเจาะให้ไปเห็นจริงๆมาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้พระบมพระสะัช พ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านงดงามก็คือธรรมะแล้วเราลหละเราศรัท ธ, ธาในพฤติกรรมของท่านในสภาพจิตใจในธาตุปัญญาของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ต้องมีศรัท ธ, ธาในการที่จะเข้าถึงธรรมะนั้นด้วยเหมือนเราศรัท ธ, ธาพรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราศรัทธาท่านอย่างเดียวนะถ้าศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสู้อริยสัจสีได้ด้วยตนเองแล้วพระพุทธเจ้าสามารถประกาศหลักการบอกให้บุคคลอื่นเน่ยบอกหลักการที่พระพุทธเจ้าต้องตัดสู้ให้บุคคลอื่นให้ตัดสั้ตามด้วยแล้วก็แทงตลอดตามพระองค์ท่านด้วยเจอมั้ยล่ะแล้วเราล่ะถ้าเราเข้าใจที่ปุ๊บแล้วก็เอาและเราศรัทธาพระพุทธเจ้า เราก็ต้องบอกว่าเราก็จะต้องเป็นพุทธะตา ม, ามารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ทั้งนี้ชัดเลยเขาเลยมีตถาคตโพธิสัต t h คือเชื่อมั่นปัญญาตรสรูเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจากมนุษย์ที่ไม่มีศรัทธาฝึกตนเองให้มีศรัทธาได้จากมนุษย์ที่ไม่มีความเพียรไม่มีความกล้ากล้าอาหาานก้าวไปใจสู้ฝึกตนเองให้มีความเพียรความกล้ากล้าอาหถารได้ จากตนเองที่หลงเริิมสติฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสติได้จากตนเองเป็นคนที่ฟุ้งซ่านฝึกตนเองให้เป็นผู้มีสมาธิคือความตั้งมั่นได้จากเป็นคนที่ไม่มีปัญญาฝึกตนเองให้เป็นคนมีปัญญาเป็นต้นได้เพราะเชื่อมั่นอย่างนี้ไงเราก็เอาละเราจะฝึกตนเองให้เป็นเหมือนที่พระเรเจ้าทรงเป็นก็หมายความว่าที่จะบะรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้น เพ น, นพอเรามองไปที่องค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวามามีเรื่องค่อนข้างเยอะแต่ว่าหยิบมาสักประเด็นหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปที่ภาคใต้สมัยนั้นก็มีคนเป็นโรคเรื้อนยอมเคยรู้ไหมคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคติดต่อเนาะปัจจุบันนี้ก็มียาคุมได้จริงแต่โรคติดต่อตอนนั้นเนี่ยพระโองค์มีความกรุณาก็ใช้พาดไปจับ จับสัมผัสสัมผัสคนที่เป็นโรคเรือดสำหรับพระราชนีท่านก็เป็นห่วงหมอที่เสด็จตามไปด้วยก็ที่เท็ดที่ตามเสด็จด้วยก็เป็นห่วงก็ทูลบอกพระราชนีว่าการไปจับถูกคนที่เป็นโรคเลือดเนี่ยอันตรายพระราชนีก็ไปทูลบอกว่าแพทย์เป็นห่วงไม่อยากให้ใช้พ้าหัดเนี่ยไปสัมผัสคนที่เป็นโรคเลือน ท่านก็แย้มพระโอดเล็กน้อยปกติท่านแย้มอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วท่านก็บอกว่าการุณาธรรมกรุณาที่เกิดขึ้นในใจของเราจากคุ้มครองป้องกันทำให้เราไม่ติดเชื้อนั่นเองเข้าใจไหมนี่คือธรรมะเห็นธรรมะที่เกิดในใจคือการุณา ธรรมะ um, ที่เกิดขึ้นในใจคือเมตตา ita, ธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคือมุทิตาธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคือความเชื่อมั่นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคือขันติธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคือจาคะคือการอยากจะเผื่อแผ่ช่วยเหลืออยากจะคลายความทุกข์เขาธรรมะเหล่าเนี้ยที่ประชุมในกระแสของความคิดในกระแสของชีวิตที่เกิดขึ้นในเรานี่แหละจะคุ้มครองป้องกันอันตรายไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนหรือเข้ามาทำร้ายเรา ท่านต้องการสื่อแต่เนี้ยแต่ท่านพูดสั้นๆนี่ไงธรรมะรักษาผู้ปฏิธรรมไหมรักษานั่นถ้าเราจะมองมองบริบทหรือมองจริยาวัดพฤติกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าท่านท่านดําเนินท่านทำเราก็ต้องมองถึงธรรมะที่ท่านปฏิบัติว่าธรรมะที่ท่านได้ท่านได้จากใครบอกได้จากพระพุทธเจ้า บอกโอ้โหคนที่ปฏิบัติตามธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงดงามอย่างนี้เน้ะ no, เนี่ยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นที่บอกว่าทานนางศีหลังปริจาครังเนี่ยทานก็คือการให้ใช่ไหมการให้แค่ทานอย่างเดียวนี่นะหนึ่งวัตถุทานพระองค์ให้ไหมให้เยอะไหมให้บ่อ น, น้ําเอ่ยให้ฝายให้เหมืองบึงคลองทั้งหลายเหล่านี้ยตลอดถึงเขือน ถนนทนทางทั้งหลายสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งหลายในประเทศไทยเต็มไปหมดเยอะแยะหมดเนี่นะโครงการพระราชดำริมากมายไม่ต้องพูดถึงสองที่สําคัญกว่านั้นนี่ยนอกจากให้วัตถุทานแล้วพระองค์ให้อะไรให้อภัยทานหรือแต่ละปีแต่ละปีที่มีคําว่าอภัยโทษอภัยทานเนี่ยคําว่าอภัยทานที่พระองค์ให้อย่างแท้จริงก็คือให้ความไม่เบียดเบียน พระ อ, องค์มองอนณาประชาราษฎร์พร อ, องค์มองมอ ง, มองแล้วคิดยังไงมองแล้วเกิดความรักความปรารถนาดีความเอื้อตอนไม่โกรธไม่โกรธในอนณาประชาราษฎรในประชาชนของท่านถึงแม้จะกระทําผิดกระทําถูกใดๆก็แล้วแต่ท่านก็จะต้านความรู้สึกเมตตาต้านกระแสะชีวิตว่าจะเมตตาจะรักจะปรารถนาดีเอื้อตอนกับอนณาประชาราษฎรทุกคนไม่เลือกหน้าเนี่คือให้อภัยทรนข้อแรก ข้อต่อมาคือให้อภัยทานก็คือไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของอนาประชาราชเลยมีแต่ความปรารถนาดีให้อนาประชาราชมีทรัพย์สมบัติบริให้บริบรูบรณ์ยิ่งๆขึ้นไปนี่คือการให้อภัยทานไม่เบียดเบียนกระแสชีวิตของบุตรภรรยาสามีของของอนาประชาราชเลยเห็นไหมท่านปรารถนาให้มีความสุขในชีวิตครอบครัวทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นให้ความไม่เบียดเบียน เลยทางพฤติกรรมทางกายก็ไม่เบียดเบียนทางวาจาท่านไม่ใช่วาจาไปเบียดเบียนไม่ใช่วาจาเป็นหอกไปทิมไปแทงอนาประชาราชแต่ใช้มัทรววาจาวาจาที่อ่อนหวานคนที่ไม่มีคนที่ทุกมาท่านก็พูดให้คลายทุกข์ใช่ไหมเวลาฟังพระดำรัสแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยที่พูดมาเนี่ยโอ้โหใครก็จ้องอยากจะฟังพระองค์ท่านสอน ท่แนะนําโอ้คําพูดออกมาก็หนึ่งพูดคําจริงอย่างนี้เป็นต้นและก็ท่านไปหนะ้าที่ไหนเนี่ยเราอยากจะได้สัมผสัสอยากจะเข้าใกล้อยากเข้าไปหาเพราะว่าดูแล้วปลอดภัยอยู่ใกล้พระ อ, องค์ท่านแล้วปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นให้ความไม่หวาดระแวงแปลว่าท่านให้อภัยทานแก่พวกเราไหมหนึ่งให้วัตถุทานก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแต่ที่สุดยอดมากกว่า น, นั้นก็คือให้อภัยทาน แกอนาบัชาราชทุกหมู่เหลา่าไม่เลือกไม่เลือกนะอระการต่อมาที่เห็นชัดให้อะไรอีกให้ธรรมทานให้ธรรมทานคือให้ข้อมูลในการปฏิบัติตนเองเออชาวบ้านที่ยากจนควรปฏิบัติตนเองยังไงแล้วก็มีพระดารัสออกมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเยอะแยะมานี่คือธรรมทานเนะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้หลักการดําเนินชีวิต ว่าให้บางทีเกิดความแตกแยกกันทะเลาะเบาแหวงกันเกิดจะเข็นฆ่าอะไรกันเนี่ยพระองค์ก็มาตรัสใช่หมมาตรัสบอกว่าเนี่ยเราจะไปชนะบนซากปรักหักพังทำไมท่านสอนให้มีหลักสมรสมานสามขีปีต้อนนี้เป็นธรรมทานไหมสรุปแล้วในหลวงของเราเนี่ยท่านให้ครบสามประการหนึ่งวัตถุทานสองอาภัยทานสามธรรมทานเอาพวกเราแหะ พอเห็นพระ อ, องค์ดำเนินอย่างนี้ปุ๊บพวกเราก็ต้องมาฝึกตนเองจะเข้าเข้าถึงวัตถุทานแล้วก็มีวัตถุทานก็ต้องสละต้องให้ตามทันสองอภัยทานยมมานั่งกัน ท, ท่านที่นี้ยอมได้ให้อภัยแก่กันหรือยังได้ตั้งอธิยาสายไหมว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปะจะไม่ทำความรู้สึกโกรธเคืองคิดประทุษรลาย แต่ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในบริเวณนี้จะไม่ทําความคิดโกรธเครืองความขัดเคืองความขุ่นข้องหรือความโกรธความคิดพทุทธศร้ายให้เกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์แม้จะไปเจอท่านที่มาณนะที่เนี้ยอยู่ณที่ใดอัตภาพใดก็ขอให้ความโกรธความขัดเคืองอย่าได้เกิดขึ้นแก่ก ร, กระแสชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าเลยจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้สมาทานแบบนี้ไหม ถ้าสมาทานอย่างนี้แปลว่าอะไรเราพัฒนาจากวัตถุทานเป็นอภัยทานถ้ามีโอกาสเราก็จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ท่านเหล่านี้ก็จะให้ทั้งธรรมทานเป็นต้นด้วยก็คือจะเดินตามรอยบาทพระในหลวงเดินตามรอยบาทรพระศาสดานั่นเองถ้าอย่างนี้จะเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทที่ชัดเจนไหมก็จะเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทที่ชัดเจนนี่คือเรื่องทานเห็นไหมเนี่ยถ้ามองนี้เราก็จะเห็นคําสอนว่าโอ้ในหลวงท่านงดงาม ท่านมีทั้งให้ทั้งวัตถุทานให้ทั้งอภยทานให้ทั้งธรรมทานแค่อนาประชาราชไม่เลือกหน้าศีลชัดเลยใช่ไหมในข้อปฏิบัติที่เป็นผู้มีศีลนี่เราก็จะเห็นความงดงามอีกข้อนึงก็คือปริจาคังนะีปริจาคังก็คือจาคนะ้านั่นเองปริจาคะ อ, อคนที่มีจาคาในใจเนี่ยเขาเรียกเป็นคนมีน้ำใจ ยอมพ่อแม่ที่มีจาคะมีปริจาค่ะเนี่ยก็คือว่าเป็นคู่มีน้ำใจลูกบางทีดึกดึงดึงนเนี่ยลูกร้องไห้จริ ง, รงๆเราอยากนอนไหมเราอยากนอนนะเราไม่อยากตื่นขึ้นมาดูลูกหรอกแต่เรามีอะไรเรามีจาคะเราก็เลยสละความรู้สึกอยากจะนอนความรู้สึกเข็นแก่ตัวทั้งหลายเราทิ้งไปเพื่อความสุขของลูกลูกจะได้ รับการดูแลที่ดีเราก็ลุกขึ้นมาโอ๋ลูกมาอุ้มลูกมาคอยปัดเป่าความทุกข์ให้กับลูกมาปลอบโยนลูกเพื่อลูกคลายทุกข์เรายอมสละความสุขของตนเองยอมทุกแทนลูกถ้าเราบอกเอ๊ะมันเป็นสิทธิของเรานี่เราก็อยากจะนอนในเวลาที่ที่ลูกไอตอนดึกดๆ๋ดึดดด๋เป็นต้นเหล่านี้ทําไมต้องมาร้องตอนนี้เป็นต้นด้วยเห็นไหมเนี่ยแต่คนที่มีจาค้าเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจ เป็นคนที่สละกล้าที่จะสละความทุกข์ของตัวความสุขของตัวเองเนี่ยกล้าที่จะแบกรับความทุกข์นี้เป็นต้นในหลวงก็จะมีลักษณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้ในหลวงก็เป็นอย่างเนี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรุณุตระสัมมาสัมพชิญาณแล้วใช่ไหมล่ะแทนท่านได้รับความสบายแล้วหนึ่งหายหเร่าร้อนแล้วกิเลสในใจหมดแล้ว ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกข์ทรมานเพราะมีกิเลสแพดเผาเพราะท่านสามารถกําจัดกิเลสได้เป็นสมุทเฉทะอย่างเด็ดขาดแล้วที่ตัสรู้วันเพนขึ้นสิบหําเดือน6เออพระองค์ไม่ต้องลําบากก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสวยความสุขไปแล้วนิพพานไปท่านก็มีความสุขเฉพาะตัวไปแล้วแต่อะไรที่เป็นเหตุท่านให้ท่านไม่ยอมเสวยความสุขของตนเองแต่มองเห็นความทุกข์ของอันของประชาชนหรือประชาส ท, ทั้งหลายนี่ไงเหตที่มีปริจาค่ะเนี่ย ก็สละความสุขทิ้งแล้วก็นึกถึงความทุกข์ของมวลหมู่มนุษยชาติบอกว่าไอเนี่ยเราพ้นทุกข์เราตัดสู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นทุกข์แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยนี่ไงปฏิทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทาตามนั้นจริง แล้วท่านก็เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่านะสิบแปดยอจากโพธิมณฑลพุทธกยาไปที่สารนาศารนาศเนี่ยอิศิปตนะที่ปลายิศิปตนะมรุกขายวันเนี่ยสิบปดยอดก็สองร้อยห้าสิบกว่ากิโลเมตรเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปลา่าไปเพื่ออะไรเพื่อจะโปรดปัญจวัคคีย์พร้อมทั้งหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือมาจากสลัก ก้าสละความสุขนั่นเองทิ้งเพื่อจะไปปัดเป่าความทุกข์ของบุคคลอื่นใช่ไหมเพื่อจะไปที่บอกชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิรุฬานอันพ้นโศกวิโยภัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการไปชี้ทางดําเนินชีวิตที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายรอดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์เข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้อย่างแท้จริงพว ก, กเกษตรดําเนินในหลวงเนี่ย ท่านก็ น, นี่ยได้จริยาวัดของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนี่ยมันเป็นหลักปฏิบัติอนาประชาราชอยู่ตามที่ไกลๆทั้งหลายอยู่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยทิศเหนือทิศใต้ทั้งหลายเนี่ยไกลแสนไกลขนาดไหนพระองค์ก็ไปลําบากยังไงก็ลําบากใช่ไหมทนต่อความลําบากทนต่อความตรากตํมามีพระคันติไหมโอ้ยชัดเลยขันตินี่สําคัญมากนะหนึ่งทนต่อความลําบากตรากตํา พวกเรามีไหมมีไม่มีสองทนต่อทุกขเวทนามีไหมเวลาเกิดทุกขเวทนาก็มาเบียดเบียนก็ทนได้ไม่ทอ้อไม่ถอยมีไม่มีเวลานั่งอย่างนี้แล้วเวลาทุกเนี่ยทนได้ไหมน่าชื่นใจนะ น, นี่อา้าสามก็ทนต่อความเจ็บใจ ใครว่าใครทิมแทงยังไงถูกกิเลสแผดเผายังไงก็ไม่ยอมทําตามกิเลสโกโรธยังไงก็ไม่ทําหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาเคยเป็นไหมไม่ยอมให้ให้ความโกโรธมันมีอิทธิพลในเราโวสามด้านทนได้หมดลําบากตรากตําก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้เจ็บใจก็ได้สองอาการหนึ่งทนแบบตั้งรับสองทนแบบบุกฝ่ายอมยอมมีประเภทไหนทนแบบตั้งรับเมส อยู่อย่างเงี้ยปัญหาชีวิตมันโถมเข้ามาทุกทิศก็ยอมรับมันได้ด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยเจอปัญหาทอ้อไหมทุกไหมโอโ้โหน่าเชื่นใจไม่ทุก้วยยอมเป็นอย่างนั้นไหมตื่นขึ้นมาพร้อยอมอธิษฐานเลยไหมวันนี้ขอให้เจอปัญหาเยอะๆคนอย่างเราต้องเจอปัญหาแบบนี้ยอม ยอมคิดอย่างนี้ไหมยอมเห็นปัญหาเป็นเวทีทดสอบความสามารถไหมเป็นอย่างนั้นไหมปัญหาเนี่ยเป็นเวทีทดสอบความสามารถของมนุษย์หมายว่าเห็นปัญหาทีไรจะตื่นเต้นเป็นอย่างนั้นั้มหรือเห็นทีไรจะท้อเลยยอมยอมชอบเจอปัญหาน้อยปัญหาใหญ่หรือปัญหาประเภทไหนอยากเจอปัญหาเยอะๆไหมไม่อยากเจอเลยเอาทำไเมื่อกี้บอกว่าชอบอะ ปัญหาถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรูร้นุตตะสัมมาสัพพะทิยานก็เพราะเพราะเจอปัญหาหรือเปล่าพราะปัญหานี่แหละแต่เวลาเห็นปัญหาปุ๊บเขาเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนตัวอักษรก่อนเปลี่ยนพยัญชนะก่อนจากปัญหาให้ไปเป็นปัญญาเลยใช่ไหมจริงจริงไม่จริงพอเจอปัญหาปุ๊บยมขอเปลี่ยนพยัญชนะก่อนนะยอมหนึ่งเปลี่ยนพยัญชนะ ให้เปลี่ยนเป็นปัญญาก่อนปัญหาเนี่ยเป็นหน้าที่ปัญหาเป็นเรื่องของใจหรือเป็นเรื่องของปัญญาเดี๋ยวผมรีบตอบ ไ, ไว้รีบจะหมดเวลาแล้วนะ ม, มีเวลาน้อ ย, ยแล้วเขาให้พาประเทศตอนช่วงสิบโมงสิบห้าทำร้ายพานะ่ดู พห้าโมงเนี่พาต้องฉันเพลงใช่ไหมเนี่ยอันนี้พระพาฟ้องโยมเข้าไว้เนี่ยปัญหาเป็นเรื่องของใจหรือเป็นเรื่องของปัญญาพอมีปัญหาพบเอาใจเข้าไปรับเรืองปัญญาเข้าไปรับเนี่ยมันจึงทกุกันแบบนี้ปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องของใจ พ อ, อใจเขาไปรับปุ๊บมันก็กดทับไหมบีบคั้นขัดแย้งกดดันที่จิตก็เครียดแล้วก็กลุ้มแล้วก็ทุกปัญหาเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องของใจคนบางคนเวลามีปัญหาชอบเอาใจเขาไปรับเดือดร้อนทุกเครียดกลุ้มแต่ถ้าเอาปัญญาเขาไปรับปุ๊บตื่นเต้นทันทีเพราะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยนะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยใจทำให้ไม่ติดตัน เวลาเราขับรถแล้วหลงทางเป็นยังไงหลงทางแล้วเป็นไงอึดอัดไหมวิ่งวนอยู่นั่นแหละแต่พอปัญญามาคิดออกเป็นยังไงโล่งไหมโปร่งโล่งกันดีเนี่ยตัวปัญญาอเป็นตัวปลดปล่อยทําให้ใจเนี่ยไม่ติดตันฉะนั้นปัญหาจึงเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อกี้พูดถึงว่าอดทนเนี่ยหนึ่งทนแบบตั้งรับยอมมีไหมข้อนี้ยทนแบบตั้งรับปัญหาถมมาในทิศทั้งสี่ ก็ไม่กลัวใช่ไหมตั้งหลับมีปัญหาปัญหาเขามีไว้อะไร <Yeah. S 1> เขามีไว้ให้แกแต่พวกเรามีปัญหาไว้ให้ทุก <c oughs> มีปัญหาจะอะไรเราทกทุกทีนะบางทีเนะ่ะถามว่าเราเคยคิดไหมว่าตัวเราเกิดมาเนี่ยเป็นคนไม่เคยสร้างปัญหาเลยมีแต่คนอื่นเท่านั้นทําปัญหาให้กับเราเคยคิดแบบนี้ไหม อยู่ในบ้านลูกก็สร้างปัญหาให้กับเราสามีก็สร้างปัญหาให้เราภรรยาก็สร้างปัญหาให้เราคนงานเรกคนใช้ก็สร้างให้ปัญหาหทุกคนมีปัญหาหมดมีแต่เราเท่านั้นไม่มีปัญหาเคยเจอไหม<ำ>ถ้ามีอาการแบบนี้ยมอาการหนักนะถ้าแบบนี้ <laughs> อาการหนักเลยถ้าเป็นแบบนี้ต้องแก้ไขแสดงว่าคิดผิดได้ถูก <im it> คิดผิดแน่นอนแล้วต้องระวังนะคนที่มาฟังธรรมะเยอะๆเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนที่บ้าน เพราะอะไรรู้ไหมกลับไปเราจะมองเห็นคนอื่นชั่วหมดเลยไม่ฟังธรรมเหมือนเราไม่สมาทานศีลเหมือนเรามาหาพระบอกท่านเนอะในบ้านยอมไม่มีคนดีเลยมีดียอมคนเดียว <c oughs> เอามาเขาบอกโอ้โหขนาดนั้นนลยมาก็ตกใจเขาบอกในบ้านยอมไม่มีคนดีเนี่ยยอมทั้งอยู่บ้านไม่ค่อยได้เบื่อเหลือเกินเซ็งมาก มาวัดนี่เขายัางช่วยสบายใจนะต่ะมาก็จะบอกงั้นยอมจะอยู่วัดนานนะถ้าอยู่นานเนี่ยยอมจะมองพระช่วยลำบากอะไเนียใช่เพราะเพราะยอมมีอัตตาถือว่าตนเองเท่านั้นเป็นคนดีอะ่ะนี่น่าน่าเป็นห่วงยอมคือ ที่พูนี้มีบ้างไหมเป็นแบบนี้ไม่ออาไมได้ทำใจไว้อ่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเรื่องการตั้งรับทนแบบตั้งรับยอมมีนะข้อนี้นะคำว่าตั้งรับในที่นี้คือใช้อะไรไปตั้งรับเขายอมรับได้ด้วยปัญญาเห็นไหมคำว่าขันติความหมายที่แปลว่าอดทนอย่างเดียวไม่พอต้องยอมรับได้ด้วยปัญญาคำว่ายอมรับด้วยปัญญาก็คือยอมรับได้ด้วยปัญญาก็คือว่า รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่ใช่อดทนอดทนอดทนแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอดทนอดทนนะเนี่ยเมื่อวานนี้นะท่านนะถามามันแหมว่างนะั้นไปเจอคนคนหนึ่งเน่ยแหมมันนิสัยแย่มากเลยเอะโวยวายมากโยมนั่งหงุดงิดทนวุฒิบแย่เลยเครียดมากเลยถ้ายอมไม่ออดทนป่านนี้มีเรื่องไปแล้ว อันนี้แปลว่ามีขันติใช่ไหมขันติจริงๆนั้นยอมรับได้ด้วยปัญญาก็แปลว่ามีปัญญาที่สามารถวางท่าทีทางใจได้เข้นความแตกต่างของมนุษย์เห็นความแตกต่างของการกระทําของคนเราแล้วก็ยอมรับเข้าได้คําว่ายอมรับได้กับยอมจํานนเนี่ยคนละเรื่องกันเช่นว่าเนี่ยฉันก็ต้องอยู่กับมันไป ถือว่าใช้กรรมนี่ภาษาคนชาวพุทธเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะมากเนี่ยฉันต้องยอมลำบากลำบ น, นยังไงยอมใช้กรรมไปเมื่อไหรกรรมจะหมดก็ไม่รู้มาปอกผ้านเนี่ยนะยอมเคยคิดแบบนี้ไหมถามจริงๆใครคิดไหมเรามาทนอยู่กับสามีเราก็ถือว่าเราใช้กรรม ทนยอมทนอยู่กับลูกก็ใช้กรรมสามีก็คิดว่าอยู่กับภรรยาก็ใช้กรรมภรรยาก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่นี่ก็ใช้กรรมไปไปม า, มานึกว่าชดใช้กรรมลทัทธิชดใช้กรรมใช่พุทธศาสนาไหมเป็นใช่เป็นลทัทธินิคนหนาตาบุตรนี่ ค, น น, น, คนนะมีทิฏฐิประเภทหนึง่งเขาเรียกว่าปุเพกตเฮตุวาทะถือว่าชดใช้กรรมเก่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อใช้กรรมไป ใช้คําไปอย่างเงี้ยละทธิลักษณะเงี้ยเป็นมิจฉาทิถีอย่างหนึ่งนะเอาละในพุทธศาสนาควรเป็นยังไงอ่ะในพุทธศาสนาคือการยอมรับได้ด้วยปัญญายอมรับความต่างของมนุษย์ยอมรับความต่างของพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยด้วยปัญญารู้และเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็รู้เช่นเราไปอยู่กับภรรยาภรรยาเป็นคนขี้บ่นจุกจิกยิ่้ ยอมจำนนกับยอมรับได้เ้วยปัญญาต่างกันไห ย, ยอมภรรยาขี้บ่นไหมโอเคอย่าพูดดังเดี๋ยวกลับบานยา <laughs> ที่จริงการที่ภรรยาบ่นนี่เรามองให้เป็นศิละปะได้ไม้มมองให้มีความสุขได้ไหมมองอยังไงสามารถมองให้มีความสุขได้มองให้เป็นศิละปะใช่ไหม นักวาดภาพเขาเห็นภาคีรีวเก่าๆกขายังมองว่าโอ้โหสวยงามจริงใช่ไหมงั้นภรรยาที่บนเนี่ยก็งองเออเธอเป็นบริหารปากได้ดีๆนะบริหารโอใช่ไหมบริใช่ไหมล่ะคนถ้าไม่พูดเนี่ยเป็นปัญหาใช่ไหมคพัแล้วเขาพูดออกมาเลยมาเออดูงามนะภรรยาท่านดูวันใดวันหนึ่งเธอนิ่งก็เออวันนี้มาทานนิ่งก็สวยงามดีเมื่อวานนี้บนก็งามวันนี้นิ่งก็งามดูงามหมดเลยใช่ไหม วันนี้เธอรุนแรงใช้ความรุนแรงมาทางกายทางพฤติกรรมอะไรมาโอ้ดูงดงามไปหมดถ้ามองมองมองอย่างนี้ก็เป็นก็ได้เขาเรียกมองแบบศิลปะแต่จริงๆถ้ามองลึกลงไปกว่า น, นั้นก็คือมองถึงสภาพจิตใจมองว่าอ๋อในขณะนี้เธอมีความโกรธในขณะนี้เธอมีความโลภในขณะนี้เธอมีความหลงในขณะเธอฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านี้และมาจากสาเหตุอะไรมาจากการวางท่าทีทางใจอย่างไรในกรณีอย่างนี้เราสามารถที่จะแนะนําแก้ไขได้ไหม ถ้าไม่ได้ใครหนอที่จะแก้ไขได้ต้องคิดไปถึงขนาดนั้นนะแต่บางคนเนาะขนาดเรายังไม่ได้แล้วคนอื่นหวังไม่น่าจะได้ไปคิดอย่างเงี้ยปิดกั้นไหมปิดกั้นเลยใช่ไหมที่จริงเขามีวิธีคิดอีกเยอะที่จะสามารถที่จะเนี่ยเขาเรียกคิดได้ด้วยปัญญาดังนั้นการยอมรับได้ด้วยปัญญาก็เป็นการตั้งรับอย่างหนึ่งนี่เรียกทนแบบตั้งรับทนอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอดทนอีกอย่างเนี้ทนแบบบกฝ่ากบกฝ่ากพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเลยนะ พอจะเ้าพระองค์เนี่ยประดุดดังเป็นช้างศึกยอมเรียนช้างที่ออกศึกช้างช้างศึกเนี่ยช้างที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาสู่สนามรบปุ๊บเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่อลูกศรที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่แม้ฉันใดตถาคตอรันต์สัมมาสัพพะทิจ้าก็เป็นอย่างนั้นเนีเวลาออกไปประกาศหลักการพระศาสนาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่อพายละลัทธิหรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่จะเข้ามาโจมตีพระองค์ก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว แก้ปัญหาและอุปสรรคไปด้วยความอดทนนะความตั้งมั่นแล้วก็ด้วยความสงบแล้วก็ด้วยความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสามารถจะชี้แจงแก้ไขสถานการณ์ไปได้ด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกทนแบบบุกฝ่านี่ก็เหมือนกันกระแสะชีวิตของพระพุทธเจ้าก็ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้าวที่ทรงสวรรคตไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอก เวลาท่านอยู่สงบท่านก็ทนแบบตั้งมัน่นนะแล้วก็เวลาจะออกไปทําภารกิจทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ทนแบบบุกฝ่าเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําเป็นตัวอย่างท่านก็ได้แบบอย่างได้จริยาวัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาเป็นจริยาวัดของพระองค์นี่เป็นต้นพวกเราล่ะเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยเวลาจะเชื่อมัน่นหรือจะเชื่อถือใครเคารพใครทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่แค่เชื่อแค่ตัวบุคคลเท่านั้นอย่างโอ้พระพุทธเจ้าสุดยอดสุดยอด ในหลวงสุดยอดสุดยอดสมมติเนี้ยแต่พวกเราสุดแย่ยุ่งเลยใช่เราเลยไม่ฝึกตัวเองที่จะให้เข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นเราก็เลยไม่พัฒนาตัวเองเลยเข้าใจยังการที่เราจะเชื่อมั่นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อเลยเป็นคนที่น่ากรุานะน่ากรุาไหมยอาสมมติเรายอมอยู่กับภรรยายอมไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจภรรยาเลยยอมจะมีความสุขไภรรยาก็ไม่เชื่อใจสามีเลยจะมีความสุขไ โอ้คนไม่มีความเชื่ อ, อ น, นี้เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราเอาความเชื่อไปตั้งไว้ในสิ่งที่ผิดโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยสิแต่เนี่ยเพราะเราอะไรรู้ไหมเราเชื่อมั่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเราเชื่อมั่นที่คุณธรรมของท่าน ท, ท, ที่ท่านประพฤติและคุณธรรมที่ท่านได้มาท่านก็รับมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเวลาเขามีพิธีเขาเรียกราชาพิเศษยอมเคยได้ยินคํานี้ไหม อ่ามันจะมียอมเคยเข้าพิธีพุทธาพิเศกไหมพุทธาพิเศกถ้าพุทธาพิเศกนี่แปลว่าอะไรอีูพระพุทธรูปใช่ไหมยอมพระพุทธรูปนี่ทำจากอะไรทำจากหินบ้างจากดินบ้างจากอิฐบ้างจากทองเหลืองบ้างใช่ไหมพระพุทธรูปนี่ก็มาจากนี่แหละวัตถุคือดินน้ำไปรมนี่แหละเอาจากอิฐหินดินทั้งหลายเลยนี่มาทา แต่พอเอาอิฐเอาหินเอาดินทั้งหลายมาปั้นมาทำแล้วเนี่ยเวลาเรากราบเนี่ยแล้วต่อมาแล้วก็มาประชมุมร่วมกันเมื่อประชมุมร่วมกันก็มีพระมาทำเป็นวิธีเป็นสั ญ, ญลักษณ์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่าเรียกทำพุทธาพิเศษก็คือมาอภิเสกร่วมกันมายกสถานะว่าต่อไปนี้ไม่ใช่ดินธรรมดาแล้วนี่คือพระพุทธเจ้านะเข้าใจยังไม่ใช่อิฐไม่ใช่หินไม่ใช่ดินธรรมดาแล้ว ถ้าอิถหินดินธรรมดาเราจะเหยียบย่ำทําอะไรก็ได้แต่ตอนเนี้เราอิฐหินดินตรงนี้มาสมมุติร่วมกันว่าเป็นองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอภิเษกมายกสถานะขึ้นว่าตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนยอมรับร่วมกันไหมอยอมรับร่วมกันภาษาทุร่วมกันพอยอมรับร่วมกันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วก็กราบไหว้ลูบเคารพอย่างนี้ในฐานะที่นี่คือพระพุทธเจ้าแต่เคารพถึงขุนอย่างนี้ไปต้นก็ย้าอย่างนี้ก็เรียกพุท ธ, ธาพิเศษ พอราชาพิเศษเนี่ยท่านก็คือเหมือนก็เรามาอาภิเษกรวมกันยกสถานะรวมกันว่าต่อไปเราจะยอมรับนับถือท่านผู้นี้เป็นราชาของเราเข้าใจไหมนี่ก่อนที่เขาจะทำวิธีเขาจะมีนะว่าให้มีการที่ว่าว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้เขาก็จะต้องปฏิบัติ หทศพิธราชธรรมราชาสังขาวัตถุสีจากกวัฎดิวัตสบสองใช่ไหมนี้เป็นต้นเนี่ยคุณธรรมสาหรับที่เป็นพระราชาเขาจะมาอ่านประกาศวันที่ราชาพิเศษพวกเราก็ยอมรับร่วมกันโอ้ท่านผู้นี้เป็นราชาของเราก็แปลว่าอะไรเป็นผู้ทําความร่าเริงยินดีให้กับอนาประชาราชและแก่ประชาชนคือท่าน มาเป็นใหญ่มาเป็นผู้ปกครองเรามาเป็นราชาของเราเพื่ อ, อามาปกครองเราเนี่ยให้เป็นไปโดยธรรมะให้เป็นไปโดยธรรมเห็นไหมอย่างที่พระบัทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวรชัชกาลที่9ท่านทรงประกาศนั่นแหละเราจะปกครองโดยแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขของมาชนชาวสยามเนี่นี่ปนแปลว่าอะไรเราจะประพฤติปฏิบัติตามทศพิธราชธรชรมนั่นเองเราจะประพฤติปฏิบัติตามราชาสังหาวัตถุสี เราจะประพฤฏิบัติตามจั ก, กรวรรดิวัตสิบสองเป็นต้นเหล่านี้ยเราจะใช้ธรรมะเหล่านี้นี่แหละเป็นหลักในการดําเนินชีวิตในการปกครองอนาประชาราชอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าทำวิธีราชาพิเศษจะย ก, ยกสถานะบุคคลคนหนึ่งให้เป็นผู้นําพวกเราก็ยอมรับนับถือในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทรงทําประพฤติธรรม เราก็เห็นแล้วท่านดำเดนินดำเนินจริยาวัดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของอาณาประชาราชอย่างมากมายเนี่ยตอนที่ไปไหว้พ่อพระมศกกันเนี่โอ้โหคนนะแน่นมาเนื้งแน่นมากจริงไหมพวกเราไปกันไหมยังโอ้โหเีเนี่ยอย่างเงี้ยพอไปเบีเสร็จแท้ที่จริงเนี่ยการไปในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยต้องไปปฏิญญาถึงจะชัดใช่ไหมฮะ ไปบรินยาณว่าพระองค์มีทานประพฤตินในทานทั้งวัตถุทานทั้งอภยาทานทั้งธรรมทานข้าพระองค์ก็จะประพฤติตามท่านเข้าถึงทานสามอย่างนี้ได้พระองค์มีศีลใช่ไหมมีศีลคือกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์แม้ชั้นใดข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงศีลตามพระองค์ท่านให้ได้ พระ อ, องค์มีจ่าฆะปริจาคะเนี่ยคือการเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งหลายเป็นต้นข้าพระ อ, องค์ก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงปริจาคะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามพระ อ, องค์ท่านได้พระ อ, องค์มีมัทวังมัทวะคืออ่อนโยนเรามีไหมเป็นคนแข็งหรือเป็นคนอ่อนโยนแข็งกระด้างหรืออ่อนโยนีถ้าเคารพพระบาทสมเด็จเจ้ า, อ, ายจอยู่หัวจริงๆก็ต้องเป็นคนฝึกตนเองให้เป็นคนอ่อนโยนกลับไปกับเป็นคนพูดพอ กลับไปนะเวลาไปเป็นภรรยาพูดกับสามีพูดยังไงเวลาสามีจะไปทำงานพูดอย่างไงเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาสามีจะไปทำงานนะให้พูดทุกวันกลับไปไปบอกภรรยานะยอมเนื่เขาพูดอย่างนี้ก็บอกว่าเรียกพ่อก็ได้เรียกพี่ก็ได้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะพ่อหรือพี่ฉันเชื่อมั่น ฉันเชื่อมั่นในพี่มากใช่ไหมเอาเอบอกว่าเชื่อมั่นเนี่ยผู้ชายภู ม, ยยมิใจไหมเขาเชื่อมั่นในเราเพราะว่าความทุกข์ของผู้หญิงข้อแรกเนี่ยคือทุกข์จากการที่จะต้องทิ้งพ่อแม่ปู่ตายย่ายายมาอยู่กับสามีใช่ไหมความทุกข์นะเพราะเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้จะนำพาชีวิตของตัวเองให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ดี ให้ผู้ผู้หญิงที่แต่งงานนั้นเป็นความทุกข์ข้อแรกขอ้อนี้ถ้ามาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมไอ้ความทุกข์ตัวเนี้ยความไม่แน่ใจตัวนี้มันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้ชายก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าเธอเลือกคนถูกแล้วทุกวันต้องบอกต้องบอกเธอตลอดเลยนะต้องบอกว่านี่น้องเธอเลือกคนถูกต้องแล้วฉะั้นจงเชื่อมั่นฉันจะไม่ทําให้ความเชื่อหรือศรัทธาของเธอต้องหวั่นไหวอย่างเนะงี้นะฉะนั้นเขาบอกก็เราก็บอกว่าฉันเชื่อมั่น ว่าขอให้เดินทางปลอดภัยหรือเหมือนเหมือนข้อหนึ่งที่สามีพึ่งปฏิบัติกับภรรยาด้วยยอกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองได้ไม่ดูหมิ่นเห็นไหมทําไมมีข้อตรงนี้ลองดูที่ต้องการจะให้ภรรยาเปลี่ยนแปลงนะกลับไปปุ๊บเนี่ยเราไปพูดกับพ่อแม่ปู่ตายายพูดกับลูกพูดกับใครก็แล้วแต่เพื่อนของแฟนน่ยพูดบอกว่าเนี่ยภรรยาผมเป็นคนดีมากเป็นคนขยันเป็นคน รักเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนดีเป็นคนเขามีจุดเด่นตรงไหนนะพูดตรงนั้นออกมาถ้าไม่มีภรรยาผมวันนี้ก็ไม่มีผมวันนี้เนี่ยพูดอย่างนี้นะผู้หู้ยิงจะภูมิใจมะเนี่ยรักยกย่องการยกย่องเนี่ยแต่โดยมากเนี่ยเราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแต่เรามักจะเก็บไว้ในใจทั้งยั ด, ด้วยนะแต่ถ้ามีความรู้สึกที่ไม่ดีเราจะพูดทันทีจริงไม่จริง มันก็ยุ่งเดชมีความรู้สึกดีๆตั้งเยอะครอบครัวก็เป็นปนัญหาเช่นบางทีคิดถึงเ็าแทบตายไม่ยอมบอกเขาเนะรักเขาแทบตายก็ไม่ยอมบอกนะแปลกเป็นอย่างงี้นะแต่เวลากโกรธเขาเมื่อไหร่พูดทุกครั้งแล้วพูดเร็วด้วยกรธเวลาไหนพูดเวลานั้นเครียดเวลาไหนพูดเวลานั้นทั้งเวลาความรู้สึกดีๆเราไม่ยอมแสดงออกไม่ยอมพูดออกนีเปลี่ยนกันดูสิถ้ามีความรู้สึกดีๆอะไรออกมาบอกเขาเลย บอกรักบอกเออชื่อมั่นบอกสิ่งดีๆให้กับเขาพูดตลอดแต่ถ้าความรู้สึกที่ไม่ดีเก็บไว้ครอบครัวเปลี่ยนภายในหนึ่งนาทีสองนาทีเปลี่ยนทันทีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ามาใช้เวลามาพอสมควรแล้วเนี่ยมีอะไรจะถามไม่ยอมเอาให้ผู้ชายถามอาหารหนึ่งข้อผู้หญิงหนึ่งข้อมีไหมมีไม่มียอม ถ้าไม่มีได้จะสลุปมีไมใครอยากถามสงอะไรไม่ะามเาอยเสียชื่อนะคะเราถามค่ะเห็นเห็นเห็นมีการถามปัญหากันจังเลยมาแอบฟังอยู่ข้างหลังมั้งเพราะตอนหน้าอาจมาไม่เห็นมีใครสงสัยเลยมีอะไรต้องรีบถามนะคะเพราะว่าผ้าจารย์เนี่ยไขปัญหาได้กระจังนะเป็นโอกาสที่ดีนะคะเรื่องของชีวิตเรื่องของครอบครัวเรื่องของข้อสงสัยเรื่องของภรรยาเรื่องของบุตร ฝากส่งจิตมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะจะพยายามรับกระแสนั้นแล้วก็จะถามให้มีคนจะถามอ่ะฮะออฟออฟเชิญค่ะออฟเชินข้างหน้าเลยค่ะคุณออฟนิมนค่ะเอาเลยทําเวลาหน่อยว่าเภาพเวลาเหลืออีกสิบห้านาทีเดี๋ยวจะฉันไม่ทันอ่ามีใหม่ค่ะมาจากชุมพรนะคะคนนี้เพิ่งจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะเชิญเชิญ มันเหมือนเป็นโรคจิตที่ต้องตัตีเงี้ยตลอดทั้ง4ช่โมงจนจนบงครั้งก็รู้สึกว่าพอแม่กำลังใจเราบ้าเขาคิดว่าไอ่แม่กำลังใจเขาื้างจนจนตอนที่มันเหมือนติดเป็นกมลชนิดาแล้วว่าต้อเช้ามาหรือตอนไหก็ต้องตัวัี อ่าโอเคจําเอเข้าใจแล้วเนะยจริงๆแล้วเนะี่ยเขาเป็นคนตรงการเป็นคนตรงเนี่ยเป็นคนดีนะใช้ได้แต่พูดหยาบนี่คือไม่ดีจะไม่ต้องแยกนะถ้าเราจะยืนยันว่าฉันเป็นคนตรงนะพูดคําไหนคํานั้นพูดว่าไปคือไปไม่ไปคือไม่ไปดีไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนพูดคําหยาบไม่ดีเอ้ต้องแยกเนี่ยวิธีการคืออย่างนี้จะจะสู่ประเด็นไปถึงเรื่องการเรื่องปัญหา กรณีที่บอกว่าเป็นภรรยาชอบพูดส่อเสียดกันประเด็นก็คือต้องยอมรับก็บอกเลยกลับไปก็บอกภรรยาเลยเนะี่ยบอกว่าน้องหรือเรียกกันเธออะไรก็แล้วแต่เรามีอธัธยาศัยเป็นคนชอบส่อเสียดเราก็ต้องยอมรับผลของความส่อเสียดที่จะเกิดขึ้นมาด้วยการส่อเสียดเนี่ยผลที่จะตามมาก็คือหนึ่งทะเลาะบบาแวงสองต่อไปเราก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จะต้องแตกแยกกัน แล้วเมื่อมีลูกออกมาครอบครัวก็จะแตกแยกอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะแตกแยกอยู่กับปู่ตายายใยญจะพากันแตกแยกแล้ววิบัติหมดนั่นคือผลของความส่อเสียดหรือแตกแยกฉะนั้นถ้าเรายอมรับกันได้เราก็จงส่อเสียดกันต่อไปใช่ไหมวราเรายอมรับได้แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยไม่เอาเละเว้ยคำนั้นไม่เอาแล้วเพราะถ้าขืนเราส่อเสียดไปในอนาคตเนี่ยเราจะแตกแยกวิบัติหมดเลยไปอยู่กับใครก็จะแตกแยกกรรมที่เราทําส่อเสียดต่อกัน ไม่ใช่ส่งผลเฉพาะแต่พวกเราสองคนแม้เราไปอยู่กับใครเราจะพาแตกแยกกับคนนั้นไปอยู่กับพี่แตกแยกกับพี่อยู่กับน้องแตกแยกกับน้องอยู่กับพ่อแตกแยกกับอยู่กับเพื่อนก็แตกแยกกับเพื่อนกรรมที่ทําเป็นอัธยาศัยแล้วมันจะให้ผลแบบนี้และให้ผลในปัจจุบันนี้ด้วยถ้าเรายอมรับความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เราก็จงส่อเสียดกันต่อไปแล้วจงทําทุกวันและทําให้มากยิ่งกว่านี้และเราจะต่อเราไปเป็นผู้นําองค์กรเราจะทำให้องค์กรนั้นแตกแยก เราไปเป็นผู้นำหมู่บ้านเราจะทำให้หมู่บ้านนั้นแตกแยกเราเป็นผู้นำจังหวัดเราจะทำให้จังหวัดนั้นแตกแยกเราไปเป็นผู้นำประเทศเราจะทำให้ประเทศนั้นแตกแยกถ้าเป็นผู้นำโลกเราจะทำให้โลกนั้นแตกแยกดีไหมน้องเนี่ยคุณเงนไม่ทีนี้ก็บอกกันตรงนี้เลยจะว่าทีนี้ถ้าถ้าเราปรารถนาไม่แตกแยกเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนการกระทำใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่แตกแยกก็คืออะไรพูดสมัครสมานสามคัคคีต้องฝึกพูดสมัรสมานสามคัคคีพูดคนแตกหนึ่งต้องสร้างความรู้สึกยินดีในความสามคัคคียินดีกับคนที่เขาสามัคคีกันกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 2. เห็นคนแตกแยกกันก็ต้องพยายามที่จะเชื่อมประสานใช่ไหมนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ต้องตั้งอัธยาสายัยเราจะทาตนเองเหมือน พวกเราสองคนจะทำตัวเหมือนน้ำกับน้ำนมคือเข้ากันได้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าต้องการจะแตกแยกกันก็ทำตัวเองเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่อยู่คนละไม่สามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้ใช่ไหม คือไม่สามารถที่จะเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ไม่สามารถจะเข้าถึงความเป็นฮาร์มันนีได้ก็คือไม่สามารถที่จะเชื่อมประสานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้แต่ถ้าปรารถนายมก็ต้องฝึกว่าหนึ่งยินดีในความสามัคคีชอบส่งเสริมคนที่สามัคคีกันแล้วก็ยินดีพอใจกับคนที่เขาสามัคคีกันแล้วก็ทําเขตที่จะให้คนสามัคคีกันแล้วก็เริ่มต้นจากเราสองคนเนี่ย ต่อไปเราจะไม่พูดจาส่อเสียดเราจะพูดจาสมักสมานสามกีหนึ่งพูดคําจริงสองคำพูดที่คําเป็นประโยชน์สามพูดถูกการสี่พูดกันด้วยเมตตาพูดด้วยความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนแล้วก็พูดด้วยกรุณนาด้วยมุทิตาก็ว่ากันไปเป็นตัวเชื่อมประสานเราจะกลมกลืนกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพูดแบบปสานประโยชน์พอจะชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะคุณอ๊อฟแล้วทําได้ไหมคะอ้าวต่อไปให้ผู้หญิงอีกข้อหนึ่ง เวลาจบกัดผู้หญิงแล้วค่ะใครมีข้อสงสัยอยบอกว่าภรรยานะคะถากับผมครับเป็นผู้หญิงอะลูกมีคําถามว่านีคำถามว่าอะไรลูกอยากถามพระอาจารย์ว่าอะไรลูกมีไหมอ่ะเยอะผู้หญิงมามยองผู้หญิงค่ะเยอ<ม>ะเลยค่ะเชิญค่ะวุ่นไปไม่ถึงค่ะอ้าพูดตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นพูดเลยตัดเตือนขาวมีแล้าวมีไม่เชื่อฟัง ตักเตือนสามีแล้วสามีไม่เชื่อฟังโอ้โหน่ากลัวมากยอมอยอมสิ่งที่สามีทำมันผิดซ้ำซากบ่อยๆให้เอาัยแล้วกับผอืค้าสิ่งที่เรามองเห็นมองบนพื้นฐานความเป็นจริงคำที่เราอธิบายเขาจะไม่ไม่ไม่เช่บฟังยาวให้เราพูดสั้นๆ แต่เราจะเป็นคนมาอธิบายว่าทําอย่างนี้จะเป็นผลคืออะไรโอเ ค, เ, คยอยอเข้าใจแล้วคืออย่างนี้เอามาเข้าใจตั้งแต่ประโยคแรกเลยจริงๆอยากให้ยอมพูดเลยแค่มาดูเวลาอยู่คืออย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะสามีคนที่อยู่กับพ่อแม่ปูตป่ตายายายหรือปู่ตายายายอยู่กับลูกอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ที่พึงปฏิบัติต่อกันเลยวนี้โดยมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยวางความต้องการของเรา เราอยากจะให้คนอื่นเป็นไปตามความต้องการของเราวิธีการอยู่ด้วยกันเนี่ยศิลปะในการอยู่ด้วยกันหรือคู่ครองก็ดีอยู่กับพ่อแม่ปุตตายใที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยการอยู่กันแบบมีศิลปะก็คือวางความต้องการของตวเองต่างฝ่ายตามเอาความต้องการตนเองวางไว้แล้วก็ให้นึกถึงความต้องการของคนที่อยู่ด้วยหลักการนี้เนี่ยทีนี้ยกตัวอย่างนะ สมมติลูกอยู่กับแม่ดีกว่าก็อันเดียวกันหรือเราอยู่กับสามีสามีเขาไม่เราอยากให้สามีเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์แต่เขาไม่กินอาหารเขากินอาหารตามใจตามปากเขาเราอยากให้สามีตื่นขึ้นมาดื่มน้ำแต่เขาตื่นมาไม่ดื่มน้ำเราอยากให้สามีกลับบ้านตรงเวลาแต่เขากลับไม่ตรงเวลาเราอยากให้สามีเขากินยาสมมติก็เป็นโรคความดันเนี่ยอยากให้กินยาแก้โรคความดันแต่เขาไม่กิน เราอยากให้เขากินอาหารอย่างนี้แต่เขาไปกินอาหารอีกอย่างวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือเราทำตามหน้าที่ที่ภรรยาพึงปฏิบัติที่ลูกพึงปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ทาตามนั้นตักน้าให้เขาตอนเช้าก็บอกเขาพี่นี่น้ำถ้าพี่ปรารถนาอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่ก็ดื่มถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องดื่ม แต่ฉันมีความสุขใจที่ได้ทำให้นิยานะพี่นะวางไว้เนี่ยแปดโมงพี่ต้องก็กินยาเก็บลดความดันแต่ถ้าพี่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ไม่ต้องกินแต่ฉันจะมีความสุขกับการได้ทำใช่ไหมนี่อาหารนะพี่อาหารที่มีคุณภาพชีวิตกินไปแล้วจะไม่อ้วน <c oughs> กินไปแล้วจะได้คุณภาพชีวิตแต่อาหารเนี้ย ที่ถูกกับกีดเล็ดของพี่พี่ก็เลือกเอาอยากจะได้คุณภาพชีวิตอย่างไรหนูแต่ใจของหนูหนูก็อยากให้พี่มีคุณภาพอยากได้สามีที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับหนูนานๆอยากได้สามีที่มีชีวิตที่ดีมีทัศนคติมีมุมมองที่ดีแต่เมื่อพี่จะเป็นของพี่นั้นหนูก็ยอมรับในสิ่งที่พี่เป็นแต่หนูก็จะมีความสุขที่ได้ทําหน้าที่ขนกวามเป็นภรรยาที่ดี จะไม่ทุกข์เมื่อพี่จะต้องมาเจ็บป่วยมาทรมานหนูก็ทำหน้าที่ตามฐานหน้าที่ภรรยาพึงจะทำแต่หนูจะไม่ไปทุกข์ไปเครียดไปกุ้มเพราะหนูได้บอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว <c oughs> ชัดเจนไหมก <c oughs> ็ทำแค่นี้เองก็ไม่เห็นจะต้องไปทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เขาเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วทาไมเราจะต้องไปบังคับเขาด้วยใช่ไหมล่ะ เมื่อเขาเลือกที่จะเป็นก็ปล่อยเขาที่เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เ็าเป็นแล้วเขาจะต้องได้รับผลในสิ่งที่เขาทำแค่นี้ก็จบเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละถ้าเราปราถนาสิ่งที่ดีเราก็ทำในสิ่งดีๆถ้าทาอย่างนี้ครอบครัวจะผาสุขไหมผาสุกผาสุ ข, สขไม่ทุกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนจริงเขาจะกลับไหมนั่นแหละผลของการประพฤติธรรมของเราน่แหละเขาจะกลับ เช่นยอมบ่นจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นอะไรสารพัดไปหมดเลยนะยอมลองเปลี่ยนบกเลิกภาพไปถึงปั๊บโผล่หน้าขึ้นไปที่ลักสมมติสมมตินยสมมตินะอันนี้นี่พระเนี่ยที่รักวันนี้ไปไหนมาเขาจะขนลุกไหมเขาจะนึกว่าองลงหรือเปล่า ท่านบอกว่าไม่ใช่องค์ลงลองนี้องคธรรมองคธรรมองคธรรมคือสติลงมาแล้วองคธรรมคือสมาธิคือปัญญามาแล้วแล้วก็ให้ปัญญาเป็นตัวผักดําในการเขาจะตื่นเต้นมากเขาจะบอกไปฟังธรรมะที่ไหนมาไปฟังบ่อยๆเขาจะเขาจะบอกแบบนี้สามีนันอยู่ข้างๆอ๋อ นั้นยอมได้สา ม, มีใหม่แล้ววันนี้เฮ้ยอย่าสั่นอย่าสั่นเอาแล้วก็สมควรแก่เวลาเนนะาะโยมค่ะโมทนากับโยมด้วยนะ<า>ที่ได้ามาสรุปนิดนึงนะว่าวันนี้เรามาปรารบมาระลึกลำลึกนึกถึงพระราชาผู้ทรงธรรมคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9กาก็เป็น ที่พวกเราทั้งหลายเคารพและระนับถืออามาก็ได้บอกแล้วว่าในหลวงมีความงดงามอย่างนี้เพราะในหลวงปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าขนาดในหลวงปฏิบัติธรรมะเพียงบางส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างงดงามขนาดนี้และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีมหาบุริสระขนาด 3.2 ประการอนุพยัญชนะ80มีทั้งพระมหาทัพ พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณพระหมหากรุณาธิคุณจักงดงามขนาดไหนนั่นและนี่ขนาดสาวกพุทธเจ้าระดับในหลวงที่เคารพพรุทธเจ้าแล้วธรรมะของพระุทธเจ้ามาปฏิบัติเรายังรักและเทิดทูนขนาดนี้นั้นพระสามมาสามพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเป็นที่รักที่เคารพเทิดทูนของเราอย่างยิ่งใหญ่เพราะเราระลึกอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราได้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแล้วจงสมาทานว่า เราไปบูชาพระพุทธเจ้าดีหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้า อ, อยู่หัวด้วยอามิรก็เป็นการบูชาข้างนอกแต่ควรทาไม่ควรแต่สิ่งที่เราควรจะได้กลับมาคือธรรมะบูชาก็คือเอาธรรมะที่ท่านมีท่านปฏิบัติเอามาฝึกแล้วก็ามาใช้เอามาทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและปัญญาให้เราได้เข้าถึงธรรมะนั้นจริง เมื่อเราไปพืชปฏิบัติเข้าถึงธรรมะนั้นจริงๆแล้วก็ประ ด, ดดังเรามีร่มดังเราที่มีฉัดมีร่มเดินไปในถ้มกลางแดดและฝนยมสังเกตดูไหมคนที่ตากแดดและตากฝนเขาก็เสือกะสนแล้วเขาเาเดือดร้อนกันขนาดไหนฉันใดก็ฉันนั้นคนที่ไม่มีธรรมะคือศรัทธา คือความเชื่อมั่นไม่มีธรรมะคือความเพียรไม่มีธรรมะคือสติไม่มีธรรมะคือสมาธิไม่มีธรรมะคือปัญญาเป็นตัวควบคุมหรือรักษากระแสชีวิตเขาก็เดือดร้อนกันกระตอดเวลาเขาเดือดร้อนพุกพ่านทั้งเครียดทั้งกำหนัดทั้งยินดีทั้งเพลิดเพลินทั้งมัวเมาลุ่มหลงทั้งอิจฉาริษยาเต็มไปหมดนั้นเพราะเขากําลังเดือดร้อนเพราะเขาไม่กลางร่มคือธรรมะคนบางคนมาฟังธรรมะแต่ฟังแล้วเนี่ย ไม่สาเหมือนกับมาเอาล่มพอได้ร่มไปแล้วกลับไม่เอาไปกลางเอาไปถือเอาไปแบกคนนั้นจะได้ประโยชน์ไหมเวลาฝนตกแดดออกไม่ได้ประโยชน์แม้ชั้นใดธรรมะก็ไร้ค่าถ้าคนเราไม่เอาไปไปพิชปิบัติฉะนั้นพวกเราอย่าเป็นคนถือร่มแบกร่มอย่างเดียววันนี้มารับร่มถือร่มไปแล้วจงกลางล่มด้วยจงกลางร่มด้วยจงเอาศีลเป็นร่มเอาสมาธิเป็นร่มเอาปัญญาเป็นร่มเอาไปกลาง นำพากระแสชีวิตเข้าไปสึงจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ให้ได้เหมือนที่ในหลวงพระองค์บำเพ็ญบารมีในวันที่ในหลวงจะเสด็จสวรรคตก็มีก็มีบุคคลเขาแจ้งข่าวไปให้อามาก็พาพระสวดมนต์แล้วก็นั่งท่านบอกว่าเาบอกท่านจะเสด็จให้ส่งเสด็จท่านมาก็ถามว่าในเหตุการณ์เป็นอย่างไร ในวันที่พระองค์จะไปเนี่ยทุกอง์ก็ถอยออกมาในพระโพธยูระวงทั้งหลายก็ถอยออกมาห่างๆไม่มีใครไปจับต้องพระวรกายของท่านพอมาถึงก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุลแล้วก็สวดธานาปาลามีซามปนุนเขาสวดเป็นพระองค์ก็เสด็จสวัสดิ์ในช่วงนั้นเห็นไหมว่าทําไมไม่ให้ไปจับพระอรกายเดี๋ยวจะทําให้จิตใจห่วงกังวล เพื่อจิตจะได้มั่นคงต่อพระธรรมพระธรรมก็จะดุดจัเป็นล่มท่านแล้วก็สวดสาธยายธรรมะให้ท่านฟังท่านก็เหมือนกลางล่มเดินไปในสังสารวัฏเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เป็นต้นเนี่ยพวกเราก็ต้องกลางล่มต้องสามารถเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติได้จริงความโลภความโกรธความหลงทุจริตทั้งหลายนั้นมันเหมือนแดดมันฝน เราต้องออกจากทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจให้ได้เราต้องได้รับความช่ำชื่นช่ำใจจากการได้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิมาเป็นหลักในการไปพืป้นปฏิบัติป้องกันแดดและฝนและกิเลสและทุจริตทั้งหลายให้ได้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายประสบความสุข